บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธน้ำรัตในช่วงสุดท้ายที่พระพุมมีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านชตุกันนีมานบและเน้นไปถึงบุคคลผู้ประพริปฏิบัติตามหลัก ของอริยสัจทั้งสี่ประกาศนั่นเองเพียงแต่ยักย้ายในการใช้ถ้อยคำเพื่อเหมาะสมสดคล้องแก่พื้นใจของผู้ฟังโดยจัดว่าดูก่อนพราหมณ์อาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแต่งมัจจุย่อไม่มีแก่พระอารันตะกีนาสก ผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวงประบุนธรหัสข้อนี้เป็นการชี้ถึงเหตุแห่งความทุกข์โดยเน้นไปที่อาสวะทั้งสี่ประการว่าเมื่ออาสวะไม่มีการตกเข้าสู่อำนาจของมัจจุคือความตายก็ไม่มี แต่ในกรณีของความตายนั้นตึงสังเกตว่าความตายเป็นผลที่เกิดมาจากความแก่และความเจ็บทั้งความแก่ความเจ็บและความตายเป็นผลที่เกิดมาจากความเกิดและแม้แต่ตัวความเกิดเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก คือทั้งส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นรูปนั้นในกรณีของการเกิดเป็นคนก็เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องของชายหญิงแต่ส่วนที่เป็นนามนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสและกรรมที่เป็นตัวสร้างให้เกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมา กิเลสนั้นบางแห่งก็สงใช้คำว่าสมุทยัยหรือตันหาบางครั้งอาจจะใช้คำว่าอัสวะบางครั้งอาจจะใช้คำว่าอาวิชาแต่สรุปรวมแล้วก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหลายนั่นเองประเด็นสำคัญในการที่จะละความทุกข์ซึ่งปรากฏตัวเองออกมาในรูปแบบต่างๆ ยังอยู่ที่การสืบสาวไปถึงต้นต่อของความทุกข์ที่แท้จริงว่าเกิดมาจากกิเลสพระราหันทั้งหลายนั้นได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระญาณข้อสุดท้ายที่เราเรียกว่าอาสวะขยานคือพระญาณที่ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปจากกิล เ, กเลสดับ บุญบาปหรือสังขารก็ดับต่างไปแล้สังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปดับการเกิดในกำเนิดต่างๆไม่ว่าจะประณีตพิเศษอย่างไรก็ตามไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้ า, พ, จาพระอระหันต์ทั้งหลายนี่ก็คือโครงสร้างหลักในการปฏิบัติที่สมเน้นไปที่ สมุทัยกับทุกในช่วงต้นสมุทัยในที่นี้ทรงใช้คำอาสวะอาสวะเป็นชื่อของกิเลสที่หมักผมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลคำอาสวะที่จริงก็เป็นการเรียกของดองทงั้งหลายเครื่องหมักผมหรือเครื่องดองทงั้งหลายอาจจะเป็นการดองผลไม้ดองใบไม้หรือดองอะไรก็ตาม เช็นว่าพลาสวะแปลว่าดองผลไมุู้ภาสวะแปลว่าดองดอกไม้หรือแม้แต่เครื่องหมักดองเหล่าอื่นทั้งก็ใช้คำอาสวะคำอาสวะเป็นเพียงรูปธรรมที่จะช่วยเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจถึงนามธรรมได้แก่กิเลสที่ทรงจะเป็นอาสวะ เพราะเมื่อบุคคลมองสิ่งที่หมักดองทั้งหลายถ้าว่ามีการหมักดองที่รุนแรงก็จะเกิดเป็นแก๊สพิษขึ้นมาทําให้คนตายได้หรือไม่งั้นก็ทําให้เกิดการมึนเมาทําให้สูญเสียสติสมัยชันญยญ์แต่ความรุนแรงของเครื่องหมักดองนั้นก็อยู่ที่ความเข้มข้นของการหมักดองหรือสิ่งที่หมักดอง แต่แน่นอนว่าสิ่งที่หมักดองเหล่านั้นจะต้องมีภัยอันตรายอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเสมอไปซึ่งกรณีเราอาจจะมองได้ในปัจจุบันเช่นพวกสุราพวกสิ่งเสพติดทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสิ่งที่หมักดองตอนพอมามองกิเลสก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำว่าอาสวะนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบเป็นสามอสวะแต่ในที่นี้ทูงเน้นไปถึง4อาอสวะจะ4หรือ3ก็คือเรื่องของอาสวะที่สามารถเกาะกลุ่มกันได้ให้เหลืออาสวะเดียวคืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นต่อของกิเลสต่างๆในที่นี้ทรงเน้นไปที่กามาสวะแปลว่าอาสวะคือกา จาจงเอาที่ตัวของกิเลสสกรรได้แก่กิเลสเป็นเหตุได้ใครก็หมายถึงกิเลสสายโลภะอาจจะเรียกว่าตันหาอาจจะเรียกว่าความพอใจความยินดีความกำหนัดความเคลื่อนความรักใคร่ความกระสันหรือว่าสิ่งที่กระสิบใจกระตักล้นแล้วแต่เป็นเรื่องของกลุ่มกามสวาทั้นั้น คือพระเจ้าทรงสอนให้มองเห็นโทษของอสวะคือกิเลสเหล่านี้เมื่อเมื่อบังเกิดขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลแล้วก็จะเสือกมสบุคคลให้สายไปในอารมณ์รดนั้นอย่างที่เคยทราบการอุปมาเทียบเคียงให้เห็นถึงสภาพของกิเลสสายนี้ว่าเป็นเหมือนน้ำที่ปนด้วยสีต่างๆบ้าง เป็นเหมือนกับการตกเป็ดหนี้เป็นสินของบุคคลอื่นเป็ดตนบางเพื่อให้บุคคลมองเห็นโทษของกิเลส ช, ชัดเจนโดยอาศัยรูปธปรรมระการต่อไปก็คือภาวะสวะอสวะคือพบได้แก่ความอยากมีอยากเป็นหรือต้องการมีต้องการเป็นสยบติดในความมีความเป็นต่างๆจนถึงกับกสันอยากในความเป็นที่สูงขึ้นไป และแม้แต่ความปรารถนาความเป็นในภพซึ่งประณีตขึ้นไปก็อยู่ในกลุ่มของประวสวะด้วยกันพื้นฐานดั้งเดิมของความคิดสายนี้อาศัยอวิชชาที่มองเห็นว่าสัตว์ตสังขารทั้งหลายเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนหรืออาจจะมองในจุดหนึ่งว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่มองอีกจุดหนึ่งว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้น การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็เพื่อต้องการจะถ่ายถอนความรู้สึกในลักษณะเชี่ยงแท้แน่นอนซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็ให้เกิดการกาหนดหมายว่ารูปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือกายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนพอศึกษาเรื่องกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตก็จะแล่นไปหากายที่สูงขึ้นไป เป็นกายที่เป็นเทพที่เป็นพรหมเป็นต้นจึงก็ต้องตามศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดสายของกายทั้งหลายเพราะกายนั้นก็เป็นสิ่งที่ตกอยู่ในสภาพของอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจนช่วยให้บุคคลถ่ายทอนความรู้สึกในลักษณะนั้นออกไปได้ ก็เป็นการผ่อนคลายความรุนแรงของภาวะสวะจากจิตใจของบุคคลลงไปได้โดยลำดับอย่างน้อยที่สุดการปรารถนาความเป็นในฐานะตำแหน่งต่างๆจนถึงก็พร่านไปในอารมณ์นั้นๆก็จะเบาบางลงไปประการที่สามจะเรียกว่าทิฏฐานสะวะอสะวะคือทิฏ ถึงตามปกติแล้วก็จะเน้นไปในสายของความเห็นผิดจากตำนองครองธรรมแต่ว่าในเชิงที่ประนีตขึ้นไปแล้วแม้แต่ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหรือว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนเป็นตนก็คงเป็นเรื่องของทิฏฐาสวะอยู่นั่นเอง ลักษณะของความเห็นในแนวนี้บางครั้งบางคราวก็เป็นความละเมียดละไมยยกต่อการวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างชัดเจนและเพราะความที่บุคคลไม่มีปัญญาจะส่องให้ประจักษ์ชัดนัหนึองความถือมั่นในด้านต่างๆก็เกิดขึ้นเช่งเข้าใจว่าโลกเชี่ยงหรือโลกไม่เที่ยง ตกมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างจีบกบสิริระเป็นอันเดียวกันบ้างจีบกบสิริระเป็นคนละอย่างกันบ้างสัตว์เบื้องหน้าเะตายแล้วจะเกิดอีกเป็นอีกคือเกิดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจจะอาศัยสิ่งต่างๆตามพื้นฐานที่ท่านเหล่านั้นรู้เห็นความเห็นในชั้นนี้ บางครั้งก็ไม่ค่อยจะมีอันตรายอะไรในชั้นของสังสารวัติแต่จะปป็นมีอันตรายในขั้นที่จะหลุดพ้นจากกระแสของสังสารวัติแต่บางอย่างก็มีความรุนแรงอย่างที่สชใยคาว่าเป็นวัตถานุคือเป็นหลับต่อของวัตตะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกความเมนที่เกี่ยวกับ กรรมและสังสารวัตรได้แง่ที่เป็นความถือรันตักใจฝังใจลงไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการเป็นอย่างอื่นในกรณีของความเห็นเกี่ยวกับสังสารวัตซึ่งถือว่าเป็นความเห็นผิดที่แรงส่งแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกก็คือการมองเห็นว่า ภาษาภาษาต่งางๆเป็นของเที่งแท้แน่นอนแอ้ความเที่ยงแท้แน่นอนที่เชื่อถือกันนั้นก็จะมองในแง่ว่าคนเราตายจากอะไรแล้วก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดฉันใช้คําว่าไม่มีการจุติแปรผันแต่บางครั้งก็ถือว่ามีการจุติแปรผันได้แบางพวกก็ถือว่า เรามาจากแหล่งใดและจะกลับไปสู่แหล่งนั้นถ้่เรามาจากพรมมาจากปรมาตามันมาจากพระผู้เป็นเจ้าถึงโอกาสหนึ่งก็จะกลับเข้าไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าในแง่ความเห็นที่สมบูรณ์ยังมีภาะวะตัณหายอยู่ยังมีวิชายอยู่ความเห็นเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นไปเพื่อพบเพื่อสังสารทุก คือเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะขึ้นชื่อว่าพบแล้วจะไม่มีทุกข์เป็นนั้นไม่มีเลยเนื่องจากมีพบจะเป็นการมาพบเป็นรูปพอพบเป็นรูปพพบคือการอุบัติบังเกิดในพบที่ยังเกี่ยวข้องด้วยกิเลสกามในวัตถุกรรมท้งหลายแลวก็มีความประนีดตลดหลั่งกันขึ้นไปอย่างไรก็ตาม รือวบังเกิดในรูปภ พ, พที่มีความประณีตในชั้นจิตในชั้นรูปร่างในชั้นอายุที่ท่านเรียกว่าเป็นทิพย์แต่แม้แต่ถึงชั้นของอรูปภ พ, พก็ชื่อว่าเป็นการเกิดโดยกำเนิดประเภทที่เรียกว่าโอปปาติกะเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่เจ็บตายต้องมุนวงอยู่บนอยู่ในสังสารวัฏความเห็นในท่านชั้นนี้จึงถือว่าเป็นความเห็นที่ผิด ที่ามารที่บอกแล้วว่าบางประเด็นก็รุนแรงบางประเด็นก็ไม่รุนแรงดังนั้นความเห็นชั้นนี้บางสายจึงห้ามเฉพาะเฉพาะนิพานคือไปนิพานไม่ได้แต่ก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้อีประเภทหนึ่งเรียกว่ารูปเชตุทิติถือว่าขาดศูนย์ไปเลย และการขาดสูนยนั้นก็อาจจะมองหลายอย่างมองว่าขาดศูนย์บางสิ่งบางสิ่งไม่ขาดศูนย์หรือขาดูนย์หมดเรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากความนึกดาเอาจากความรู้ที่ไม่ตลอดสายของบุคคลเหล่า น, นั้นเป็นประสบการณ์แคบๆตำนองที่เรานพูดกันว่าหิงค้อยภายใต้กลาลครอบคือรู้เฉพาะ ภายในกาลาที่ครอบอยู่เท่านั้นเองไม่รู้นอกเหนือไปจากนั้นก็ไปวินิจฉัยตัดสินเอาเท่านั้นตานองคล้ายๆกับบุคคลที่ไปเจอมะม่วงเปรี้ยวเข่าผลหนึ่งแล้วก็อนุมานออกจากผลที่เปรี้ยวซึ่งตนในรลิมนั่นเองแล้วก็เมาตลอดไปว่ามะม่วงนั้นเปรี้ยว โดยอาศัยประสบการณ์จากมะม่วงผลเดียวหรืออาจจะจากต้นเดียวโดยไม่มองไปที่มะม่วงต้นอื่นๆ ด, ด้วยการวินิจฉัยตัดสินในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการมองไม่ตลอดสายแลียกสรุปโดยอาศัยข้อมูลเพียงเล็กน้อยซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะพบว่า แม้แต่เรื่องที่ลดหลั่นกันลงมาคือในชีวิตประจำวันการจะปรงใจตัดสินใจลงไปว่าอะไรเป็นอะไรคือแท้จริงจะไม่เกิดขึ้นจากการมองในแง่ใดมุมในแง่ใดโดยเฉพาะแต่จะต้องมองกันหลายแง่หลายมุมหลายด้านมีข้อมูลมากพอแกการจะสรุปลงไป แต่ตามปกติแล้วพื้นฐานสติปัญญาของคนไม่อาจจะสรุปอะไรให้ถูกต้องได้ทั้งร0อยเปอร์เซ็นอาจจะอยู่ในจุดที่พอใช้ประโยชน์กันได้ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นงนั้นความเห็นในชั้นนี้บางอย่างก็ไม่ถึงกับห้ามการอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ประการใดหรือแม้แต่การเกิดในพรหมโลกก็เกิดได้ เพราะว่าเมื่อท่านถือว่าบางอย่างไม่ขาดศูญท่านก็เพ่งเล็งไปที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งท่านเชื่อว่าไม่ขาดศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตถ้าหากว่าเป็นการประพฤติชอบปฏิบัติชอบจิตก็มีความสะอาดขึ้นสงบขึ้นสร้างกติสร้างพบที่ประนีตขึ้นมาได้ อีประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นทิพฐาสวะที่รุนแรงอาสวาทิฏฐิที่รุนแรงตรวนี้ถือว่าเป็นหลักปอของวัตตะทีเดียวนั่นคือถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําไม่ว่าจะเรียกว่าบุญเรียกว่าบาปเรียกว่าการกระทําอะไรก็ตามไม่เป็นการกระทําและถือว่าพ้นทุกอย่างจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออะไรก็ตาม ไม่ได้มีเหตุอะไรเป็นเรื่องของการบังเอิญเฉยๆเป็นการประจวบเหมาะเข้ามาเฉยๆแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรหมดเลยเจนบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมมสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีเปน็นต้นความเห็นในชั้นนี้ถือว่าเป็นความเห็นที่ก่อให้เกิดการหยุดพัฒนาการในด้านต่างๆ เพราะเมื่อมองเห็นว่าไม่มีแล้วความเพียนพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือขึ้นไม่ได้ทํานองใกล้ๆกับคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหัวไม่ดีเรียนหนังสือไม่จําและจะไม่พยายามเรียนหรือคนบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาบารมีมากพอที่จะ บำเพ็นเพียนในทางจิตใจหรือให้ตารักษาศีลบาเป็้ยนภาวนาเป็นต้นแล้วก็ไม่ยอมทำไปหรืออาจจะถือว่าทำแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทําดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าความเห็นประเภทนี้เป็นนิยตามิจาทิฐิไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้จะกลายเป็นหลักตอของวัตถุหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึง มุ่งแสดงที่จะกระจัดความเห็นเหล่านี้ออกไปโดยพระไทยที่ทรงอนุเคราะห์ต่อชาวโลกแม้จะชาวโลกไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงก็ตามก็ขอเพียงแต่อย่าถึงก็มีความคิดอย่างนั้นมีความเห็นอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตเปลี่ยนภพชาติในประณีตขึ้นมาได้ ระดับนี้จึงไม่พูดกันในชั้นของการมาเป็นเพียนชั้นสูงแต่มุ่งพูดในชั้นของศีลธรรมจัญยาให้ได้เสียกวอนและในที่สุดก็มาสรุปรวมที่อวิชชาสวะอวสวะคืออวิชชาซึ่งเมื่อเราโดยสรุปแล้วก็คือความไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองแม้จะส่งเก็บนกแสดงออกไปถึงแปดแต่ว่าต้นตอก็อยู่ที่ความไม่รู้อริยสัจสี่ แต่พึงเข้าใจว่าเป็นความไม่รู้ระดับยานไม่ใช่เป็นความไม่รู้ระดับปริยัตเพียงอย่างเดียวเพราะว่าความรู้ระดับปริยัตคือการศึกษาเราเรียนจำทรงถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจจนถึงกระจัดอาวิชาออกไปได้ก็คงอยู่ในกลุ่มของไม่รู้อยู่นั้นแราวความรู้ในความหมายที่พึงประสงค์จริงๆจะต้องเป็นความรู้ซึ่ง กระจัดอาสวะกิเลสได้หมดไปสิ้นไปได้ทำลายอาสวะเหล่านี้ด้วยอาสวะขยานได้แต่ในชั้นของการทำลายไม่ได้ขอเพียงลดละบันเผาลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งความร่าเร้อเปราะถูกแผดเผาด้วยเพลิงของกิเลสประเภททั้งสี่นี้ก็จะเระบางลงไป ทุกคนจะได้รับความสุขความเจริความปร่งเบาสบายเพิ่มขึ้นตามลำดับถือว่าเป็นการเดินตามรอยบาทของพระศาสดาตามปฏิปทาของพระอาหารทั้งหลายใกล้ต่อการความสุขความส ง, งบความสวัส ด, ดีในฐานะที่สูงขึ้นสูงขึ้นและทรงแสดงในช่วงต่อไปว่า การ้านทั้งกีณศพทั้งหลายนั้นเป็นผู้ปราศจากความกาหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวง mm hmm. ในกรณีนี้เป็นการชี้ถึงผลหลังจากได้ทำลายอาสวะให้หมดไปสิ้นไปแล้วท่านหลุดพ้นจากสังสารทุกข์แล้วแต่ด้วยวิบากขันคือชีวิตที่ท่านมีอยู่เนี่ยแม้จะเกี่ยวข้องกับนามรูป ึ่งตามปกติแล้วจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือขัดเคืองของปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระรีเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระรีเจ้าก็มักจะมีความเปลี่ยนแปลงคือขึ้นขึ้นลงๆไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นและการขึ้นขึ้นลงๆของจิตที่จริงขึ้นลงในลักษณะที่รวดเร็วมาก เป็นความเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็จับไว้พอใจก็ไม่พอใจเกิดขึ้นไล่หลังกันได้ในเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราพบคนที่เราคุ้นเคยและเกิดความดีใจยิ้มก็ไปหาพอเขาไม่ยิ้มตอบเราก็เกิดเป็นโทสะแทนที่จะเกิดเป็นความดีใจเหมือนเดิม และในขณะเดียวกันตากาพบคนที่เราไม่ชอบแต่ก็อ่อนน้อมเข้ามาหาก็ายิ้มแย้มเข้ามาหาแสดงความเป็นมิตรสนิทสนมไอ้ความไม่ชอบนั่นก็จางลงไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้แล้วก็แสดงออกมาในให้เป็นความเคลื่อนไหวทางกายทางวิจาได้แล้วตัวการใหญ่จริงๆก็คืออยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิต โดยการปรุงของกิเลสบ้างปรุงของธรรมะบ้างตัวนี้ปรุงเร็วแล้วความเปลี่ยนแปลงก็ออกมาเร็วแล้วสแสดงให้เห็นได้ทางอาการกายวาจาแต่อย่าลืมว่าเป็นการสะท้อนมาจากใจที่ถูกปรุงด้วยกุศลบ้างโดยอกุศลบ้างทีนี้เมื่อไม่มีกิเลสเป็นเหตุปรุงพราณทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าวิสังขาระกตังจิตตัง คือจิตท่านเข้าถึงวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่ตัวเหตุใหญ่ก็ถูกทำลายไปจิตของท่านจึงมีลักษณะเหมือนกับแผ่นศิลาหรือแผ่นอิฐแผน่นปูนแผ่นคอนกรีตอะไรก็ได้คือไม่รับเชื้อเน่าทั้งหลายแม้จะมีเชื้อเน่าอะไรบางเกิดขึ้นก็ไม่สามารถซึมเข้าไปได้ ลักษณะทางอารมณ์นั้นเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่แมลงวันหยอดไข่นั้นก็คล้ายๆกับพวกกรรมคุณทั้งหลายนั่นเองคืออาจจะแพร่หลายเป็นตัวนอนขึ้นมามากมายไกลกองก็ได้ไกลขังของแมลงวันดหลนั้นถ้าว่าแกไปได้เชื้อประเภทเดียวกันจะหยดตรงในปลาหยดตรงในเนื้ อ, อพร้อมที่จะแพร่หลายออกไปเป็นจำนวนมากและขนาดก็ตัวขึ้นได้ แต่ถ้าหากก็ไปหยอดข่ายลงในหินในกรวดในทรายหรือแม้แต่ในน้ำก็จะตกละลายหายไปทำอะไรไม่ได้จิตใจของพระอระหันต์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นข้อนี้แม้โดยนัยอื่นๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรในช่วงสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อโลกธรรมถูกต้อ ง, องใจก็จะไม่หวั่นไหว คำว่โลกกระทนั้นก็คื อ, อส่วนที่น่าปรารถนาได้แก่ลาภยศสันเสริญสุขส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศเตีนตาทุกชีวิตทุกชีวิตจะประสบเรื่องราวเหล่านี้เราจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่กับเรื่องเหล่านี้อาจจะฟูขึ้นมีการเฉลิมฉลองเสียไตรเสียกันถ้าหากว่าตนได้มาเราจะเศร้า ร้อยโสมโท ม, มนัสเดือดร้อนจนถึงอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เวลาประสบกับความเสื่อมราบเสื่อมยศถูกนินทาประสบความทุกข์ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นแรงขนาดไหนและใจไปเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังกับเรื่องนั้นขนาดไหนแต่พระอรหารทั้งหลายนั้นท่านไม่หวั่นไปเพราะกิเลสเป็นเนตรวันไปไม่มีโลกธรรมเกิดก็เกิดดับก็ดับ ท่าจะรู้เท่าทันก็ท่านสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถึงสังเกตว่าความรู้สึกเหล่านี้ในชั้นหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่คนเราได้เช่นว่าการพัดพลาของสิ่งที่ตนชอบตนพอใจเรตัวอย่างว่ายืมของใช้เข้ามาแล้วก็มีกำหนดส่งที่แน่นอนพอมาใช้รู้สึกว่าชอบ อ, อกสอบใจ แต่เราก็รู้ว่าอีกสองวันอีกสามวันเราส่งคืนเข้าไปพอถึงคราวจะส่งคืนเราพร้อมที่จะส่งคืนเข้าได้เว้นไว้แต่ว่าจิตใจถูกกิเลสห่อคุ้มมากไปก็อาจจะยกจอกช้ อ, ชอโกงอาจจะบิดเบือนอาจจะผัดผ่อนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะ น, นไอ้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ปัญหาทางใจของบุคคลได้ ท่านจึงไม่เศร้าโศกเพราะอะไรอโศกังคือไม่เศร้าโศกแม้จะพลัดพากจากไปวิรจังพระใจท่านไม่มีทุเรอะไรไม่มีกิเลสเป็นเครื่องสร้างมอ่งใจใจเป็นกเกษมสามารถอยู่ท่ามกลางอะไรก็ไดแ้แต่สิ่งเหล่านั้นแทรกซึมเข้าไปไม่ได้ทำนองกับเพชรที่เจริญในาดีแล้วแม้จะตกไปในที่ใด อยู่ในโคลนต้มก็ไม่เพื่อนในโคลนตม้มแต่ส่วนมากแล้วพระเจ้าจะมักจะอุปมาให้เข็นเช่นว่าใบบัวซึ่งเกิดจเจริญเติบโตขึ้นมาในโคลนต้มนั่นเองแต่เมื่อยกตนพ้นมาแล้วแม้จะถูกน้ําถูกโคลนตม้นนตมน้ํำในโคลนต้มเหาท่านก็ไม่สามารถทีถ่จะซึมซับเข้าไปไปในใบบัวได้ฉันได้จิตใจของบุคคลที่ละกิเลสไปได้แล้วก็จะไม่ วันไหวด้วยอารมณ์ของโลกทั้งหลายเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่จะปฏิบัติได้เกิดสัมผัสผลในขั้นสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในส่วนนี้แต่เมื่อสร้างเหตุด้วยเกิดผลเหล่า น, นี้ขึ้นมาในระดับใดก็ตามผลก็จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนของเหตุที่ใดที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไป ดังนั้นจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้บุคคลอบรมกระทําให้มากเพื่อจะได้สัมผัสผลเป็นความสุขความสงบเพิ่มขึ้นโดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป